ช่วงแรกๆที่นักฟิสิกพยายามสร้างลิเทียมขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีในยุคแรกเริ่มเนี่ยมันไม่เวิร์กเอาซะเลยหคือมันจ่ายไฟน้อยมากไฟก็แบบติดๆดดับๆไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในหลายๆอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการวิจัยที่ต่อเนื่องมากๆเนี่ยมันทําให้ลิเทียมกลับมากลายเป็นเกมเชนเจอร์ที่แท้จริงเป็นตัวพลิกเกมเลยหนึ่คือจ่ายไฟได้ดีมากและ2คือตัวมันเบาความเบาเนี่ย มีประโยชน์มากครับลองนึกภาพถือแท็บเล็ตแล้วแบตเตอรี่หนักแบบหนักจนแบบต้องยกอย่างเงี้ยยิ่งเพิ่มน้ําหนักของสิ่งของที่ต้องใช้ไปอีกใช่เอาความจริงมันจะแบบมันใช้งานยากอืเรื่องนี้บางทีมันบอกกับเราเหมือนกันว่าช่วงแรกๆของงานวิจัยเนี่ยหรืองานวิจัยที่ดีมากๆในอนาคตในช่วงที่มันกําลังเติบโตเนี่ยบางทีเราต้องให้เวลากับมันเพราะของดีๆเนี่ยบางครั้งมันปรากฏมาในรูปของปัญหาเยอะมาก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 พูดถึงตัวเปลี่ยนเกมในวงการพลังงานในช่วงหนึ่งนะคะก็ต้องนึกถึงแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็เราเห็นนะคะบ้านเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันได้เป็นเรื่องปกติเลยเห็นรถ E ีวเต็มท้องถนนถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยก็คงจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้เรามาเข้าใจแบตเตอรี่ ก, นกันให้มากขึ้นกับใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟังรัตทโรจิพนาค่ะและผมอ่านว่รงคจันทมาศครับพี่ป่งแป๋งคะถ้าพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเรามันพึ่งพาแบตเตอรี่ในด้านไหนบบ้างแ ทุกด้านตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนอีกรอบหนึ่งและในระหว่างเรานอนเนี่ยเราก็พึ่งพามันฮะคืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ามากมายเลยนะใช้แบตเตอรี่เยอะมากมครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้านะหลักๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยคือเครื่องมือที่สร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเคมี<ฆ>นะแม้ว่าหลังๆมันจะมีการพัฒนาให้สามารถ ชาร์จไฟกลับเข้าไปได้อะไรก็ตามแต่โดยรวมแล้วแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์พกพาที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้ดังนั้นอุปกรณ์อะไรละ่ะที่เราพกพาแล้วมันต้องการพลังงานไฟฟ้า ม, มีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยตัวนี้แท็บเล็ตอ่าก็ต้องใช้ฐานใช่ปะ่ะซึ่งมันก็คือแบตเตอรี่อ่ะซึ่งก็อาจจะมีการชาร์จได้หรือใช้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอย่างอีกแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่อตอนนี้เราเปิดอยู่นะครับ เราอ่านจากมันมีหน้าจอมีอะไร ม, มันจ่ายไฟออกมานะฮะไฟที่จ่ายเนี่ยออกมาจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้ก็ต้องใช้ตัวจ่ายพลังงานก็คือแบตเตอรี่อะไรอีกรีโมท อ, มอันนั้นก็เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครั บ, รบจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีหลากหลายชนิดมากมีตั้งแต่เก่าแบบเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ใส่เข้าไปใส่น้ำตาลให ญ, ให ญ, ใหญ่ใหญ่เอาไปวางนะ จนกระทั่งเล็กจิ๋วแบบนี้นะครับแบตเตอรี่จึงเป็นคํากว้างใช่แปลว่าถ้าเราเห็นอย่างถ่านถ่านไฟฉายก็น่าเป็นแบตเตอี่เป็นแบตเตอรี่ไอ้ที่ใหญ่ๆก็น่าเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่อ๋อแล้วจริงๆแล้วถ้าเราอธิบายว่าแบตเตอรี่จริงๆแล้วมันมันทำหน้าที่อะไรมันมทานํางานยังไงแล้วมันคืออะไรเราจะอธิบายมันง่ายๆยังไงได้บ้างอย่างที่บอกมันเป็นมันเป็นเครื่องใช้ใจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งมันต้องมีขนาดเล็กพอที่เราจะพกได้แบตเตอรี่ที่ดีจะต้องจ่ายไฟฟ้าได้ได้ดี แล้วก็ไม่หนักจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ทํางานยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่าแบตเตอรี่มันหลากหลายชนิดมากแต่เอาเป็นว่าทุกชนิดย้ําว่าทุกชนิดล้วนแล้วแต่อาศัยการจ่ายพลังงานโดยปฏิกิริยาเคมีทีนี้ปฏิกิริยาแบบไหนอย่างไรตรงเนี้ยก็แล้วแต่ชนิดของมันค่ะทีนี้เรามาที่จุดเริ่มต้นของมันดีกว่าว่า ไอ้ไข่กันนะที่มันไปคิดเนาะคิดออกมาจนได้เป็นแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทุกวันนี้จุดตั้งต้นมันมาตอนไหนคะก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นมาประมาณ200กว่าปีแลนานแล้วเหมือนกันนะโดยนักฟิสิกส์นะครับผู้มีชื่อว่าอเล็กซานโดรโฟลตาเคยได้ยินไหมไม่คุ้นเลยคะ่ะแต่เคยได้ยินคำ ว, ว่าโฟลไหมความต่างศักย์มาจากคนชื่อคนนี้ฮะอเล็กซานโดรโลตเขาทาการทดลองที่เป็นประวัติศาสตร์ด้วยการเอา โลหะต่างชนิดกันนะครับสังกะสีกับทองแดงมีลักษณะเป็นแผ่นกลมเอามาเรียงซ้อนๆกันแต่ละแผ่นเนี่ยจะถูกซ้อนด้วยกระดาษแข็งหรือหนังสัตว์หรืออะไรก็ตามหรือเป็นผ้านะครับชุบน้ําเกลื อ, อไว้ซ้อนซ้อนๆ น, น, นะคล้ายๆโอรีโอเป็นแท่งใหญ่ๆออแล้วก็ทําโครงเหล็กขึ้นมาให้มันตั้งขึ้นมาตั้งได้แล้วก็ต่อสายไฟฟ้าออกมาจากขั้วสองขั้วนี้ตัวทองแดงกับสังกะสีเนี่ย<ฮ>ะนะครับมันเป็นธาตุที่ มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้วกันเมื่อเอามาเรียงต่อกันแบบนี้ออมันฟังดูเรียบง่ายนะแต่การจะค้นพบอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ของง่ายคือกว่าจะมาถึงธาตุสชนิดนี้มันก็ต้องทดลองกับหลายๆอย่างแล้วมาดูว่าเอออันไหนมันมันเหมาะสมที่จะใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอะไรพวกนี้อุปกรณ์นี้ก็มีชื่อว่าโวลเตอิดพายนะครับอืม<ะ>ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เรียนฟิสิกส์ในวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสั ญ, ญลักษณ์รูปแบตเตอรี่อยู่ ซึ่งจะเขียนด้วยตัวเส้นยาวๆแล้วก็เส้นสั้นๆเคยเรียนแล้วก็คืนครูไปห ม, <c oughs> หมดแล้วในวงจรมันจะมีเส้นยาวๆเส้นสั้นๆแล้วก็ต่อออกมาอันนี้แหละคือโบเตอิดพก็คือตัวขั้วของแบตเตอรี่2ด้านแต่จะเห็นได้ว่ามันถูกประดิษฐ์มา200ปีแล้วอะเก่าแก่มากแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องประหลาดลึกลับกว่านั้นหน่อยหนึ่งคือมีการไปค้นพบแบตเตอรี่ แบกแดดด้วยนะแต่ว่าไกลไปกว่ายุคขอ ง, ของคน <K ota. S 1> แรกอีกใช่ oh. เป็นยุคแบบโบราณเลยอ่ะมันก็มีลักษณะเป็นขั้วคล้ายๆกับฐานไฟชายนี่แหละอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับเป็นไหนี่แต่ถามว่าคนยุคโบราณเขาสร้างแบตเตอรี่เก่าแก่ขนาดนั้นขึ้นมาทําไมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะบางคนก็เชื่อเชื่อกันว่าเชื่อกันว่าอาจจะเป็นเป็นความเชื่อยุคโบราณหรือเปล่าที่อาจจะพยายามใช้กระแสะไฟฟ้าในการรักษาโรคอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ เราไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นหลายครั้งมากที่เรามักจะเรียกอะไรอะไรตามโลกตะวันตกผู้คน<嗯>้นพบมันแต่มารู้กันทีหลังว่าจริงๆมันยังมีคนชนชาติอื่นที่คิดค้นได้ก่อนหน้านั้นคล้ายๆกับสามเปลี่ยนปัสา尔เคยได้ยินไหมครับสามเปลี่ยนปัส卡尔เนี่ยเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งที่คุณแบร์สปาส卡尔เป็นคนฝรั่งเศสคิดค้นขึ้นแต่ทีนี้เขาก็เรียกกันมาตลอดแล้วก็มีการเปิดค้นพบว่าเอ้า คนจีนโบราณเคขาเคยคิดมาก่อนอหน้านั้นๆมากๆแล้ว อ, อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกก็โลกตะ ว, วันตกก็ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเขามีเครือข่ายการเผยแพร่งานวิจัยการจดบันทึกอะไรต่างๆนะครับเราตั้งแต่ยุคมาแบกแดดแบตเตอรี่นั้นที่เราอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรมาจนถึงมีนักฟิสิกส์มาทําการท ด, ดลองอคิดออกมาได้แล้วไอการพัฒนาแบตเตอรี่นี้มันไปต่ อ, อยังไงหลังจากนั้นอีกแล้วมันถูกเอาไปใช้ทําอะไรบ้าง ก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเองเนี่ยนะครับหลังจากคุณอเล็กซานโดรโวตาอยู่ในยุคใเรเลี่ยวกันเนี่ยก็มีการค้นพบวิธีการสร้างกระแสะไฟฟ้าขึ้นจากการเหนี่ยวนําซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องยาวละผมขออนุญาตไม่ไม่ได้ลงลึกนะครับแต่มันเป็นยุคของคุณไมเคิลฟาราเดย์ละซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกระแสะไฟฟ้าด้วยการเหนี่ยวนําแม่เหล็กนะเป็นหลักการการสร้างกระแสะไฟฟ้าที่ใช้ในโรง ง, งานโรงไฟฟ้าทุกโรงทุกวันนี้เลยนะครับคือไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามเนี่ย การสร้างกระแสไฟฟ้าล้วนใช้หลักการที่ไม่ต่างจากคุณไมเคิลฟลาเดนะนะแต่หลังจากยุคนั้นมาเรื่อยเลยนะครับผมขออนุ ญ, ญาตสคิปแล้วเพราะคานี้มันจะยาวมากเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมหากาศจริงจริงการจะออบอกได้ว่าแบบการพัฒนาตั้งแต่ยุคโวลต้ามาจนถึงทุกวันนี้มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ไม่มีประวัติศาสตร์ช่วงไหนที่สาคัญมากไปกว่าการค้นพบแบตเตอรี่ลิเธียมแล้ว อที่เราคุ้นชื่อลิเทียมไอออนอะไรนั่นใช่ไหมคะนั่นแหละเคยได้ยินใช่ไหมฮะเคยได้ยินค่ะเคยเคยว่ามันอยู่ในรถหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่ใช่จริงลิเทียมเนี่ยถูกเป็นธาตุที่ถูกค้นพบมานานมากเป็นนานมากแล้วแต่เพิ่งถูกมาใช้งานไม่นานอยู่ในหลักแบบหลายสิปีนี้เองแต่ค้นพบมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วจริงๆแล้วคือเรารู้หลักการของมันมาตั้งนานแล้วเรารู้จักลิเทียมมานานเลยค่ะใช่แล้วเราก็รู้ด้วย ลิเทียมเนี่ยถ้าใครท่องตารางธาตุนะครับอ่ามันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนัออ้นและเป็นเป็นตัวตัวแรกของธาตุหมู่หนึ่งเข้าใจความหมายไหมธาตุหมู่หนึ่งไม่เข้าใจคะ่ะคือธ า, าตุาตมันจะถูกเรียงเป็นหมู่หมู่ตั้งๆั้<ฆ>ครับแล้ะลิเทียมเนี่ยเป็นตัวแรกของธาตุหมู่หนึ่งการที่มันเป็นธาตุหมู่หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่ามันมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด1เม็ดซึ่งการมีแค่เม็ดเดียวเนี่ยเท่ากับว่ามันพร้อมจะสูญเสียออกไป มันนั่นก็หมายความว่ามันพร้อมจะจ่ายไฟให้เรามากๆเลย oh. มันพร้อมมากๆ oh. นะฮ ะ, ะมันแบบนอกสุดมีมีมีคนไม่สนใจอยู่คนนึงอะไรเงี้ยมันก็พร้อมเขาก็พร้อมจะหลุดออกไปเป็นกระแสะไฟไฟ้าให้เราแต่ทําไมเขาเพิ่งออกมาใช้แปลกไหมทาไมคะอือวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเฮ้ยมันสําคัญมากอืลิเทียมเนี่ยนอกจากจะเป็นาธาตุที่พร้อมจะจ่ายไฟให้เราแล้วนะครับลิเทียมนี้ที่อยู่เป็นาธาตุมูนหนึ่งยังยังอยู่เป็นาธาตุแรกๆที่เราท่องนั่นหมายความว่า ตัวมันเบาตอมมันเบามากนะครับการที่มันเบาเท่ากับว่ามันเป็นโลหะที่ถ้าผมอลูมิเนียมมาวางในห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นโลหะสีเงินเลยเหมือนเหลก็กนะฮะแต่ว่ามันเบาแล้วก็อ่อนถึงขั้นที่เอามีดอะมันตัดก็ได้โอก็เป็นโลหะอ่อนค่ะแล้วก็เบาถือมานี่เบามากมไม่เหมือนทองคํานะอืทองคํานี่เคยเคยเคยไปซื้อทองทองแท้ต้องห้ามแบบว่ามีเอามาขบปันอะไรอย่างเงี้ยนะทองอ่ะ ทองทองมันหนักนะน้องน้องฟังลองไปลองซื้อทองสักโลหนึ่งอ่ะเราจะแบบมาก้อนอย่างเงี้ยพอถือมันหนักก้อนแค่นี้หนักแบบเหมือนตะ ก, กั่วหนักเลยอ่ะนะครับในขณะที่ลิเทียมเนี่ยเป็นโลหะที่เบานุ่มตัดง่ายแต่ถ้าเราเอาลิเทียมเนี่ยไปใส่น้ำมันจะปลดปล่อยแกส๊สไฮโดรเจนออกมามันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีมแล้วก็ร้อนขึ้นะนะครับมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา ซึ่งเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของการใช้ลิเทียมทาแบตเตอรี่มาโดยตลอดเลยนะเพราะโดนน้ำปุ๊บเป็นฟองแก๊สไฮโดซึ่งน้ำอยู่ไหนนะี่น้ำเนี่ยอยู่ในอากาศก็มีเป็นละอองน้ำเราพูดคุยมีละอองออกมาดื่มน้ำดื่มละวินละอองออกมาทั้งนั้นนะ hmm. นะความชื้นในอากาศแล้วก็ตัวสารอิเล็กโทรไลต์เนี่ยซึ่งเป็นสารที่อย่างที่บอกนะครับมันจะต้องมี ตัวตัวบางอย่างที่เป็นคล้ายๆกระดาษชุบน้ำเกลืออยู่ตรงเนี้ก็มีน้ําเป็นองค์ประกอบอดังนั้นเนี่ยมั น, จ ะ, นจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเออใช่น้องฟางเจอแบบนี้กล้าใช่ไหมอ่ะไม่ให้ใช้ใชอยู่นะแะแบบมีไฮโดรเจนออกมาอมแล้วไฮโดรเจนเนี่ยเป็นแก๊สที่แบบมันจิตไฟนะค่ะเกิดแบบระบบระเบิดตู้มตามขึ้นมาเลยยุ่งเลย ม, มีประกายไฟนิดหน่อยระเบิดได้แถมยังร้อนได้ด้วยใช่ไหมฮะคือลิเทียมเนี่ยเอาไป ใส่น้ำเนี่ยมันร้อนฟู่ออกมาเลยนะเป็นความร้อนออกมาพอสมควรซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้น่ากลัวมากค่ะลิเทียมเนี่ยเลยเป็นธาตุที่ไม่ถูกใช้ทำแบตเตอรี่อยู่นานมากแต่สุดท้ายมีคนไปค้นพบหรือว่าแก้เพนพอยนนี้ได้ใช่ไหมคะมีคนไปค้นพบว่าเฮ้ยอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสารประเภทน้าอย่างเดียวนะเราอาจจะใช้สารชนิดอื่นๆที่เป็น ไม่ใช่น้ําเป็นแบบอิเล็กโทรไลต์ไม่ใช่น้ํามาใช้ได้คราวนี้ลิเทียมเริ่มถูกจับตามองแล้วอนะครับแต่แม้ว่ามันจะถูกจับตามองเนี่ยน้องฟังต้องลองนึกภาพก่อนว่าช่วงแรกๆที่นักฟิสิกส์พยายามสร้างลิเทียมขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีในยุคแรกเริ่มเนี่ยมันไม่เวิร์กเอาซะเลยคือ1คือมันจ่ายไฟน้อยมากไฟก็แบบติดๆดดับๆั บ, บไม่สม่ําเสมอ น, นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในหลายๆอย่างนะ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 มันใช้งานยากหรือหรือรถรถยนต์ใช้ไฟฟ้าทุกวันเนี้ยครับมันไม่มีวันเป็นไปได้ถ้าแบตเตอรี่นะ่ะเพราะอะไรเพราะมันน่ะ ม, มันก็จะวิ่งแบบรถกอล์ฟรถแบบไปดูบ้านจัดสรรน่ะไปดูบ้านจัดสรรอ่าไปไปเซลแกลโลรี่ใช่ไหมเขาจะบอกอ่าเดี๋ยวมาดูบ้านตัวอย่างท่านี้ค่ะก็ไปนั่งรถใช่ป่ะรถรถก็จะแบบพร้อมออกนะคะค่อยๆมันก็จะไม่ได้ออกแบบฟอร์มูล่าวันใช่ไหมันก็จะแบบอืมอืมอืมค่อยๆช้าๆตอนยอนไปของเขาเนาะอืม ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าแบบสมัยใหม่หลากหลายยี่ห้อมันวิ่นเร็วแบบรถสปอร์ตเลยอ่ะต ok ้องยกคุณงามความดีให้แบตเตอรี่ที่เบามากซึ่งก็ต้องเป็นลิเธียมดังนั้นถามว่าลิเธียมสำคั ญ, ญยังไงสำคัญเพราะว่ามันจ่ายไฟได้ดีมากแล้วก็เบามากซึ่งแน่นอนว่าผู้ประดิษฐ์และพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมที่แก้เพนยนพอยต์ต่างๆเนี่ย ได้รางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2019ใช่ถือว่าถือว่าสุดยอดมากมเพราะมันเหมือนกับเปลี่ยนวงการนี้ไปเลยทำให้แบบว่าทุกอย่างมันชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่าใช้คุณสมบัติของตัวลิเทียมได้อย่างเต็มที่ใช่พูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์พกพาต่างๆรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาเชื่อว่าในอนาคตมันจะแพร่หลายมากขึ้นเนา ะ, ะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็แพร่หลายขึ้นแล้วแล้วที่สาคัญก็คือ มันทำให้โลกของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไม่พึ่งพาถ่านหินหรือพลังงานเชื้อเพลิงคาร์บอนมากขึ้นในอนาคตดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีโอกาสเป็นแบบนั้นมากขึ้นใช่ดังนั้นเนี่ย เ, เขาก็ได้รับได้รับรางวัลโนเบลเพราะว่าสร้างคุณนอุปการให้กับมนุษยชาติทีนี้วันนี้เรามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและที่แบบว่าโอเคเบาขึ้นแล้วก็ ดีขึ้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้ววันข้างหน้ามันจะล้ําไปกว่านี้ในทิศทางไหนหรือว่านักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์กําลังพัฒนาแบตเตอรี่ไปในทิศทางไหนคะต้องบอกว่าการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่ปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยที่ได้รับเงินทุนมหาศาลเลยแล้วก็มีความสนใจจากนักฟิสิกส์วิศวกรนักเคมีทั่วทั้งโลกเพราะว่าลิเธียมเนี่ยแม้จะดีมากเลยนะ เซลล์วัลลิเทียมเนี่ยทรัพยากรลิเทียมมันก็จะต้องมีเหมืองเนาะอ่ะทีนี้พอพอพอเหมืองอยู่ที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของการควบคุมราคาเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเกิดความกังวลว่าในอนาคตลิเทียมอาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรพวกเนี้ย ม, มันก็มีการหาทางเลือกอื่นๆอยู่นี่คือแนวแน ว, แนวทางวิจัยทางที่หนึ่งก็คือคหาแบตที่ดีกว่าลิเทียมหรือถ้าไม่ดีกว่าลิเทียมก็ดีน้อยกว่าลิเทียมแต่อาจจะถูกกว่ามากออื เช่ยกตัวอย่างนะครับหนึ่งในแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้ทุกวันนี้มันยังไม่มีใครชนะหรอกแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้นะครับก็คืออาจจะเป็นแบต ท, ที่ใช้โซเดียมอมดู ด, ดูไม่ค่อยแบบว่าไม่คุ้นหูเลยใช่ใชเพราะว่ามันยังไม่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมกับการตลาดแต่ว่าโซเดียมเนี่ยก็เป็นธาตุมูนึงเหมือนกับลิเทียม<อ>ลิเทียมโซเดียมโพเทสเซียมรูบิเดียมต่ อ, อแถวกันมาต่อแถวลงมาแล้วก็ ลองลงมาจากลิเทียมก็เป็นโซเดียมก็เบาแม้จะจ่ายพลังงานไม่เท่าลิเทียมแล้วมีปัญหาอื่นที่ต้องแก้แต่เป็นคันดิเดตที่น่าสนใจเพราะโซเดียมอยู่ไหนครับโซเดียมเกลือโซเดียมใช่โซเดียมคลอไรซ์ซึ่งอยู่ในเกลือเนี่ยมันอยู่ในน้ำทะเลมาหาสารเลยมีเยอะเลยทีนี้หาง่ายใช่ถ้าจะเล่นเกมแบบทำเหมืองอะลิเทียมเหมืองแบบหาได้จำกัดแต่อย่างโซเดียมเนี่ยโอยน้าทะเลเนี่ย ดูดมาแยกเกลือก็ก็ผักเอาไปตากแดดใช่ไห ม, มก็จะได้เกลือออกมาแล้วก็แยกหาทางแยนะ่มโอ้โหคราวนี้เยอะแยะเลย อ, อ, อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งต้องยอมรับว่าคําว่าดีที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจ่ายไฟดีที่สุดแต่การหาง่ายก็เป็นช้อ i c e หนึ่งนะอันนี้เป็นแนวทางคือพยายา ม, มสร้างขั้วใหม่ๆของแบตเตอรี่ให้ได้แล้วก็มีขั้วอื่นๆอีกมากมายตรงนี้ก็ว่ากันแล้วก็มีการพยายามพัฒนาแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าในอนาคต การเดินทางไปในอวกาศหรือดาวเทียมเนี่ยจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแบตเตอรี่ที่สุดยอดให้ความปลอดภัยจะต้องมีเพราะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในอวกาศบางทีมันโดนอุณหภูมิจากดวงอาทิตย์ตลอดบางทีเจอความเย็นแบบจากด้านที่ไม่โดนดวงอาทิตย์ก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีเศษอุกบาทเล็กๆเขาเรียกไมโครมันซโอรอยเนี่ยอุกบาทเล็กๆเนี่ยมันเล็กเท่าฝุ่นแต่มันวิ่งเร็วมากจนกระทั่งบางทีมันทะลุอุปกรณ์ที่เป็น เกรอบป้องกันได้ไอ้อ<ฆ>พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันระเบิดตูมตามขึ้นมามนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนึ่ง อ, อีกแนวทางหนึ่งที่เรียกได้ว่าสําคัญมากและสําคัญไม่แพ้กันเลยนะอะบางทีอาจจะสําคัญกว่าก็คือการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ดีมากๆวิชาร์จเหมือนอเหมือนว่าจะแข่งกันวันนี้ก็ต้องให้มันแบบชาร์จง่ายชาร์จเร็วด้วยนะคะแล้วเก็บพลังงานได้เยอะถูกต้องและยิ่งไปกว่านั้นนะครับน้องฟางคือว่าแบตเตอรี่ประเภทที่ยิ่งชาร์จได้ดีเนี่ยมันหมายความว่า พลังงานสะอาดเนี่ยจะถูกตอบโจทย์มากขึ้นแน่ๆคือทุกวันนี้เนี่ยกังหันลมหรือโซล่าเซลล์มันผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เหลือเฟือเลยในช่วงเวลาหนึง่งเช่นตอนกลางวันหรือในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยประเทศไทยเรามีแสงแดดให้เก็บเกี่ยวมหาศาลอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าในน้ำมีป่าในนามีข้าวเรามีแสงแดดแบบโอ้โหมันมันสุดๆอ ะ, อะนะ ร้อนได้ใจแล้วก็ได้พลังงานเต็มที่ใช่แต่ช่วงที่มันไม่มีช่วงฤดูฝนช่วงที่มันเม่คลึ้มหน้าหนาวหน้าอะไรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยแดดมันไม่ค่อยมีก็จะก็ยังร้อนอยู่นะแต่ว่าแดดมันไม่ค่อยมีหรือแม้แต่ตอนตางคืนเราจะต้องมีเครื่องเก็บพลังงานที่ดีมากๆตรงเนี้เป็นโจทย์วิจัยที่น่าสนใจมากคือเราจะผลิตแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ราคาถูกและดีได้อย่างไร ถึงจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากลมพลังงานจากอะไรพวกนี้ตรงเนี้มันยังยังไม่ค่อยดีมากนะักแต่ก็กําลังวิจัยกันอยู่ค่ะน่าสนใจแล้วอย่างนี้แปลว่าอีกหน่อยเราอาจจะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันพัฒนาไปได้ถึงขีดสุดเนี่ยมันก็ดีทั้งในเรื่องต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อชีวิตเราที่แบบง่ายขึ้นด้วย พอฟังดูแล้วฟังว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองไม่ใช่แค่ในแบบแวบดบวงของนักฟิสิกส์อีกแล้วอะแต่ว่าพอชีวิตเราอะถ้าเกิดว่าเห็นว่าการพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยมันดีขึ้นไปอีกอะมันก็ยิ่งน่าจับตาเลยว่าชีวิตคนอย่างพวกเราเนี่ยในชีวิตประจำวันมันจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้สักแค่ไหนฟังว่าน่าสนใจมากแล้ววันนี้เห็นเพนท์พอยที่พี่ป๋องแปงพูดถึงว่าไ อ, อตัวลิเธียมมันก็อาจจะยังมีข้อจํากัด แต่การเห็นเพนพอยต์เนี้ยสำคัญมากนะว่าเอ้ยวันข้างหน้านาักฟิสิกส์หรือว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็แก้เพนพอยต์ตรงนี้ให้ชีวิตเราแบบมันง่ายขึ้นไปอีกนะคะใช่แต่จริงจริแล้วผมมีมีจุดหนึ่งที่อยากจะเสริมนะคือว่าในยุคที่แบตเตอรี่พกพาอย่างลิทธียมไอออนเนี่ยมันแพร่หลายแบบนี้นะฮะอย่าลืมว่าในยุคแรกๆของการวิจัยอะปัญหามันเยอะมากมเยอะในระดับที่ว่ามันไม่เวิร์กเอาซะเลยนะทั้ง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 Mm hmm. น่าสนใจมากเลยค่ะเขาพูดที่องแปนที่มันเล่าให้กันฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่ติดตามดูพวกเราอยู่นะคะก็คอมเมนต์มันบอกกันได้นะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะที่ YouTube ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะอย่าลืมฝากติดตามใดๆในโลกดนฟิสิกส์กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast i Opening For your ears.